เอ่อสําหรับพระ 9 กับ 10 ท่านกล่าวว่า สิกขาบท 11 2, ส, 13 14, สิกขาบท 15 16 เราจักไม่โครงกายนั่งโครงไปโครงมาแบบกี่เมาสั่นไปสั่นมา 17 เราจักไม่ ฉิม 920 เราจักๆนี่ เขาถ้าเด็กพูดกับผู้ใหญ่ว่าเป็นจริยาที่เลวมาก ก็รู้สึกว่าเวลานี้มันหายหายไปไหนหมดไม่ทราบนี่คือว่าแต่เล 21 กับ 22 เราจากแม่มือค้ํากายคนาธิไป 23 24 เราจากแม่ภาค 25 เราจักไม่เดินไปไม่เดินคดยง และกล่าวว่า 1 เราพึง และหน้าที่เดินไปใน และขอท่านจง 2 เมื่อ เราจักแลดู 3 เราจักรับแกง รับไปวนไปวนมาอยู่นั่น ก็รับมาเถอะถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเถอะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็ ฉันโดยเคารพให้มีสมาสภาวะแห่งความเป็นชำเริงชำเริง หรือชั้นให้โบมน่ะกีดปาดให้เสมอๆกัน 9 เราจักไม่เรเรเร 10 เราจัก 11 เราไม่ จำให้ดีนะถ้าเราไม่เก็บใครนะมันพออืมลําบาก 13 เราจักไม่ทําคํานัก 14 เรา ม. ม เลย, 5 ไหว้ค่ะไม่คว่าอ้าไว้ก่อนพอถึงก็อ้ายังไม่ถึงๆเพื่ออะไรก็ช่างเถอะมันยากก็ๆ มาลี 18 นะครับๆก็น่าเกลียด นะ, นะ. เราเราเร 20 เราจักไม่ นี่เป็นเรื่อง 22ๆ23 เราจักไม่ฉันแลบลิ้นโอ้โหมันสวย 24ๆ 25 เราจะไม่ฉันดังสุด 26 เรา อ. 27 28 29 เราจักไม่ 30 เราที่ 3 มี 16 เปรยสุคนทํา 2 เรา 3 จะ 4 จะ แต่ยังเว้นไว้แต่ทหารตำรวจ 8 จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่ 12 จักไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่ 14 เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็น เราเดินไปนอกทางจักไม่ 2 เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายวจารปัสวะละเขน 4 1 ความเถียงกันว่าเสียงนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเสียง 2 ความจดนั้นๆเรียก 3 อบัติทั้ง 4 กิจที่สูงเจ้าพึงทํา อธิกรณสมถะธรรม 4 นั้นเรียกมี 4น น. ให้สมมุติ 3 ความที่สงสวด ตามเอ่อ 5 การตัด 6 ความลงโทษ เจ็ดความให้ประณีประนอมกันทั้ง 2 นอ 9 ก็เป็นเรื่องๆผมเคยพบพระ เมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีความ น่าอยากบวชตามเขาเพราะว่าประเพณี เออแล้วโทษมาบวช บวชไหลเข้าสุกก็บวชเข้ามากินๆบวช นี่การบวชหนีสงสารเค้าทํากันยังไงแล้วเออ เออมันจะไม่ถูกกันแล้ว เราเป็นศากยบุตรพุทธจีณรสๆในฐานะที่ เตรียมแปรเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอ การบวชพระนิพพานเนี่ย 9 ว่า 1 หนึ่ง ตระกัณมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มัน ภัสสังพังคานุปัสสนาญาณปิจฉาคำหนึ่งแห่งความดับอัน พยัตตุปัฏฐานญาณปรีชากำนึกเห็นสังขารปรากฏเป็นว่า ทุกข์จากคันๆ ไอ้ร่างกายนี่เป็น 4 ปิชากำเนิดเห็น ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความดีมีเอเห็นท่าจะไม่ 5 เห็นว่ามันเป็นๆปัญญามันเกิดแล้วก็ๆเลี้ยงไม่โตไม่โตเมื่อเลี้ยงไม่โตแล้วมันก็ฝืนใจ แต่ว่ามันอาฆาตตัณหาอยู่ไม่รู้คุณเราเลี้ยงเท่าไหร่มัน แต่เราต้องการมันไม่ให้มันมาคบ พิจารณาคัดพิจารณาคํานึงด้วยการพิจารณาหาทางจะหนีอันนั้น ไม่ใช่อย่างแบบนี้เฉยไม่ได้ปุจจาระปัสวะเฉยไม่ใช่ ในเมื่อเธอมีสภาวะเป็นอย่างนั้นฉันฉัน ไม่สนใจคือไม่ใกล้ไปสนใจแต่ ปรีชาเป็นไปตามสิว่าทุกสิ่งทุกเนี่ยนี่ เมื่อตัณหาสบาย ผมขอรับ